เดี๋ยวลมเดี๋ยวพายุวนรอกนี้ตั้งอยู่บนความแปรปรวนอะรแปรปรวนไปหมดแล้วมก็แปรปรวนวนก็แปรปรวนท้งฟ้าขาดแปรปรวนความมืดความสว่างแปรปรวนมันแปรปรวนไปหมดสิ่งแวดล้อมตัวเรานะแปรปรวนไปหมด ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแปรปรวนไปหมดธาตุข้างนอกแปรปรวนธาตุข้างในเราก็แปรปรวนธาตุดินข้างในธาตุน้ำข้างในธาตุลมข้างในธาตุไฟข้างในเราก็แปรปรวนไปหมด สิ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของของธาตที่สำเร็จรูปมาแต่สังขารมันจะแปรปรวนไปเรื่อยๆไม่สงบสิ่งเพราะเหตุมันพาแปรปรวนมาปัจจัยมันพาแปรปรวนเหตุพาแปร ป, ปรวนปัจจัยพาแปรปรวนคำว่าเหตุหรือปัจจัยก็คือสิ่งประกอบคือส่วนประกอบจากสิ่งหนึ่ง ว ก, กับสิมก็เป็นสองสิมเป็นสามสินกกนมนสองเ ป, ป, นปน็นสิ่สิเป็นสิบแปดแปดเป็นสิบหกพ่อเป็นตัวมีคุณหือเหตุปัจจัยและเมื่อเหตุปัจจัยประกอบกันแล้วไม่คงทิ่งแปรปรวนไปเรื่อยไม่จบด้วยสิ่ความแปรปรวนนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านทรง ยกมาสอนให้พวกเราพิจาราให้เห็นใเห็นความแปลปวนความแปลปวนของกายของใจมันแปรปรวนเดียสุขเดียทุกข์เดียทุกข์เดียสุขเยวสุเียทุกข์เดี๋ยทุกข์เดียสุขอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวร่างกายสุขสบายเบาสบายปลรดโปรเดี๋ยวก็อ่ดอัด เดี๋ยวก็ ร, ร้อนเดียวก็เกาลักวายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหนาวมันก็แปรปรวนไปนี้แอละไม่จบเพราะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยที่รวมกันเมื่อรวมกันมาแล้วมก็เปลี่ยนรูปของมันเปลี่ยนตัวของมันเปลี่ยนฐานะของมันเปลี่ยนความเป็นอยู่ของมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย อย่างภาวะรูปร่างกายของเรานี่ยสที่เราเห็นว่าไม่เปลี่ยนก็คือขาสองแขนสองหัวหนึ่งลำตัวหนึ่งเป็นก้อนเป็นแท่งเราเห็นว่าไม่เปลี่ยนแต่เราดูส่วนละเอียดภายในของมันล้มันเปลี่ยนทุกเวลานาทีไม่มีเว้นเปลี่ยนทุกขณะของจิตนี่มันเปลี่ยนเนื่องจากปัจจัยมันมารวมกันแนละ้วมันก็เปลี่ยน เปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนตัวของมันผูุ้ทธเจาท่าสอนให้เราพิจาราให้เห็นความเปลี่ยนความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่นี่แหละเป็นทั้งอนิจจังเป็นทั้งทุกขงังท่านสอนท่านสอนความไม่คงที่ข อ, ข, อทของของสองขาด้านไกลของเราทั้งเราทั้งท่านเนี่ยให้เห็นว่ามันไม่อยู่ไม่คงที่ ความไม่คงที่นี่แหละอ่าคือความไม่แน่นหนาคือความไม่ถาวรคือความไม่เป็นแก่นความไม่เป็นสารความความไม่เป็นแก่นสารความไม่เป็นสาระในตัวเขาไห ม, หม حت, ไม่มีอะไรคงที่ถ้ามีอย่างใดอย่างนคงที่อยู่ทำก็เป็นว่าสิ่งนั้นเป็นแก่นสารเป็นสาระ อันนี้มันไม่มีอะไรครององที่สักอยางถ้าที่ว่ามันมันมีมการขาดไม่มีสาระมันเปลี่ยนตัวของมนันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเปลี่ยนไปตามลาดับอายุขัยนอกจากเปลี่ย น, ปนไปตามลําดับอายุขัยแล้วก็เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากความพอดีปราบใดที่เขาพอดีเราให้ความหมายว่าเขาเป็นสุข เช่นอย่างร่ากายไม่ร้อนจนเกินไปอ่าร่างกายไม่หนักหน่วงจนเกินไปร่างกายไม่ปวดตรงนั้นไม่เจ็บตรงนี้โยงสุขสบายเบาสมายเรามาถึงว่าความพอดีของมันแต่ถ้าตราไปมันไม่พอดีเนื่องจากดินก็ไม่พอดีน้ําก็ไม่พอดีลมก็ไม่พอดี ความไม่พอดีในตัวตัวมันความไม่พอดีกับภาวะแวดล้อมที่มาเกี่ยวข้องกับรูปธรรมอันนี้ความไม่พอดีทําให้สังขารภายในร่างคล้อยแปรพลันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเกิดความไม่พอดีเจ็บไข้ได้ปวยเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นอะไรขึ้นมาปวดหัวตัวร้อนเพียรปกติเลียร ม, มากมากถึงกับวิกฤตวิกการส่วนในชนหนึ่ง คนจะต้องไม่ประสบพบเห็นไม่ว่าเราไม่ว่าท่านเราจะต้องไม่ประสบพบเห็ น, นสนิ่ล่านี้หาเรารู้จักเอาไว้ว่าทั้งการร่างกายมันยืนอยู่บนพื้นฐานของความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่ยที่พุทธเจ้าท่นทรงสอนประสอนไว้ไตรักษณ์ไตลักนณ์ลักษณะสามอย่างเรียว่าต ล, ลันั้นอย่างทุกขงอ น, าานัตตา ดูไม่เห็นความไม่ถาวรของมันมันไม่มีอะไรยืดยาวยืดยาวมันเปลี่ยนตัวมันเยอะมันมีอะไรเป็นแก่นเป็นสารมันม่มีอะไรคือนถาวรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้นานทีนี้ให้ความสุขสะดวกสบายสุขสบานแกเราก็รับเข้ า, าใจว่าเออตอนนี้มันพอดีอมันจะไม่คงที่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตัวของมันไป อยากความพอดีเป็นความไม่พอดีอาจจะเป็นลงแรงเกินไปอาจจะเป็นธาตุินแปรปรวนไปอาจจะเป็นธาตุลมแปรปรวนไปปวดจุกปวดเสียดอยู่ในท้องอยู่ในไส้ดันขึ้นมาข้างบนงงทางตาทางหูทางจมูกทางอะไรบางดันเปปวดที่ศรีษะมันสามารถแปรปรวนได้หมด แต่ะละอยางแต่ะอยา่างก็คือจะทําพวกมันมันแสดงให้เราเห็นให้เราปรากฏอ่านให้เราเอาใจของเราเนี่มากำหนดมาพิจารณาให้รู้ว่าร่างกายมันตั้งบนพื้นฐานอ่างนี้พวกมันให้เก็บมาศึกษาไว้มารู้ไว้มาเข้าใจเอาไว้ถ้าไม่น้อมเก็บรติมาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ใจขึ้นมาเลยร้างกายมันแปรปรวนเป็นทุกข์ข้อมัน ตามปกติของมันตามภาวะของมันด้วยเหตุที่จิตไม่เข้าใจมันค็ไม่เข้าใจจิตด้วยเหตุที่จิตยึดกายเนี่ยก็เลยมันมทุกข์ไปปวดหัวปวดตัวร้อนปวดตัวไข้วเป็นหนาวงเงยน็นปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อเป็นอะไรสารพัดแล้วแต่มักกมนจะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราของมัน ขัดระบบนั้นขัดระบบนี้นนระบบขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะระบบเลือดระบบลมระบบอะไรต่างๆมันจะขัดนุ่นเราก็ต้องดูแลเยียารักษาไปให้อนันต์ไปให้อันนี้ไปให้ธาตุดินที่เป็นยาเข้าไปให้ธาตุน้ำที่เป็นยาเข้าไป มันก็ช่วยไปปรับไปเปี่ยนไปบันเทาบางงางก็หายหายจากตรงนั้นกเป็นตรงนี้หายจากตรงนี้ก็เป็นตรงนั้นโยงนั่นแหละมันแป ล, ลวนไม่จบสิมันจบสิ้นตอนไหนจบสิ้นตอนนุ่นอยู่บนเชิงตะกอนนั่นจบสิ้นมอดไปกับกองที่เท่าที่ทาน น, นนั่นแหละจบสิ้นตรงนั้นแหละร่างกายตรงนี้ ตราบใดที่ยังเป็นอยู่เนี่ยเราจะต้องอยู่ด้วยกันอันนี้มีความเกี่ยวความปวนนั่นแหละเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนสองกับสังขาทั้งกายใช้มันอยู่นีมีสุขราบรื้นเรียบร้อยอ่าตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นตั้งแต่หัวค่ำเยี่งคืนสว่างทุกวันเวลาไหนกันไปน สมองสมางนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มันขึ้ๆลงๆอยู่อย่างนี้ถ้าจริงให้เราเอาจิตของเรามาจอมองเขมาดูมาพิจารณาดูให้เราัข้าใจถ้าไม่มาพิจารณาเกิดความเข้าใจจิเของเราเอาปล่อยทุกข์ไปตรงกายเลยโอ้ทุกข์กับปวดหัโอ้ทุกข์กับตัวร้อนโอยทุกข์กับเป็น โรกตับโรคไตโรคหัวใจเาหวานสาพัดมาเร่งนะที่มันจะตามมาสิ่งอันนี้มันจะตามมาเรื่องจภาวะรกมันแปรปรวนทุกขณะทุกวันเวลานาทีแปรยังงันไปเป็นยังงันแปรยังงันไปเป็นยังยงนันมันไมคงพี่ เราเลยอยู่กับสภาวะทุกข์ต่างๆเหล่านี้เป็นปิจกรรมศึกษาให้รู้จักเอาไว้เข้าใจเอาไว้รู้จักเอาไว้เข้าใจเอาไว้แล้วก็ปล่อยตามภาวะที่มันมีของมันปล่อยตามภาวะที่มันเป็นของมันรู้ให้ตลอดดูให้สุดสายของมันร่างกายดูให้ตลอดดูให้สุดยังไง ดูใสุดดูมาตั้งแต่เมือนร่ทงแมนดูมาออกมาแกะมาเรื่อยแกมาเรื่อยแกมาเรื่อยแกมาเรื่อยแก่มาเรื่อ ย, ย, ย, ย, ยจนถึงยวนี้เรานั่งอยู่กันเนี่ยดูให้เลยนี่ไปคืนนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันกันเดือนเป็นปีไปเรยเรผ่านไวไปเรื่อ ย, อ ย, อย ไ, ไปเรื่อยไปเรื่อยจนถึงอายุหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปี นอนดูไปจนตายนุ่นนอนอ้าปากอในโลงลเอาไปขึ้นเชิญตุกคอนถูกไฟไหม้นู่นเผ mm hmm. าละเผาก็ฟังนะฮะฟังก็ไม่มีอะไรฟังอยู่ในยิ้เนี่ถ้าดีก็ดูดินกินเข้าไปดูไปดูไปดูไปหรือจะก็ดูอ่ะ กับตานนมนกับเราเหนกัน น, น, นานปีไปสิบปียี่สิบปีมือเริ่มผุเริ่มพัเมงเริ่มเปือ่อยเริ่มสลายไปแหะเป็นที่เท่าแะเป็นที่เท่าเลก็ดูก็จะแข็งแข็ก็ผุเข้าไปอ่าเปื่อยเข้ไปเป็นแป้งเป็นมันกป็เชอ่กอะไร เป็นแป้งป่วยสลายเข้าไปในสุดก็หมดกลายเป็นธาตุดินเราลงไปขุดทรายเราเราคิีงจะมันไม่หลงไปกับมันไม่เคลื่อนไปกับมันวัตตาสงสารความเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแค่เราหลงเคลื่อนไปกับมันหลงเคลื่อนไปกับรูป ลเลินไปกับเสียงหลงเพลินไปกับเรื่องราวต่างๆสารพัดที่อยู่รอบรอบตัวเราที่อยู่รอบจิตเราที่จิตมันไปยได้ความ็ด้ไดคิดได้นได้ัถ้าเราไม่เอาสิ่งล่านี้มาพิจารณาเราลงไปเคลิ้นไปเคลิ้นจนลืมย้อนมาดูตัวเองเคลินเคลนจนลย้อดมาดูตัวเองไม่เอาติดกระจายติดปัญญามันจดม่จอ มันดูมาพิจารณาให้เขาไว้ใจใจนะแล้วก็เพลินประจามหน้าขอี่เลยที่มันพาเรายุกเราไปโน่นยุกเราไปนี่นะไปขาดอนนั้นไปเดาอันนี้ไปสําคัญมั่นหมายอันนั้นสําคัญมั่นหมายอันนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่มจบความสาคัญหลงเพลินไปกับเไม่มีจบนะเราดูไปจบร่างกายดูไปจบ ดูมาตั้งแต่ท้องแม่เจริญเติบโตมาจนถึงตอนนี้รดูจากนี้ยืดไปขนาดนั้นอเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเท่านั้นปีเท่นี้นปีบางทีอาจจะมันอยู่6อยู่จบครบไปอด้วยเหตุที่ร่างกายนี้มั น, ม, นมันไม่แ น, น, น่นอนอมันดิ้นดูเป็นความไม่แน่นอนอาจจะเก็บใครได้ตัวยตายกระท า, านถัน วันนี้คืนนี้ครุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าสมายังมาตายด้วยความไม่มหน่อยไม่มีอะไรมาบอกไม่มีอะไรเป็นปีจับพยานว่าเราจะตายนวานเราจะตายครุ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราไม่ประมาท ไม่ให้เราประมาทยืนเกินนั่งนอนม่ให้ประมาทมีสติมี ส, สญญามาธิยัสมีปัญญามาพิจารณาดูสิ่งที่มันไม่คงท น, ท น, ทนเผ า, าวอรเลยเพื่อเพื่อความไม่ประมาทจะได้เอากำลัาวังชาจับที่เราเลี้ยงมันไปวันๆเนี่ยมาทําประโยชน์ประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านทำให้เลยไม่ต้องมีเกี่ยวประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตนนั่นแหละ ประโยชน์ตอนก็คือประโยชน์ท่านรวมแล้วทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตอนทั้งหมดเราจะเปรียบเทียบไม่งั้นวันอื่นล่วงไปเราไม่ได้รับประโยชน์ประโยชน์ก็คือคุณรามความดีทั้งหลายทั้งปวงปที่เราสาร้างทำมาส ะ, มา ส, ะมาสมมาเพิ่มเติมไปที่ใจใจเก็บผพ้นานต่างเหล่านี้ใจเป็นคนเก็บเอาไว้ คุณทความดีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ใจเป็นคนเกยบเอาไว้ประโยชน์ตนเราทําสมุนปฎิบูรณ์่ะไม่ขาดตกบกเข้าประจำวันประจำคืนแต่ละวันแต่ละคืนทั่วไปเราพยายามทาประโยชน์ตนนอกอยากประโยชน์ตนแล้วมันก็ยังมีประโยชน์ท่านสิ่งที่เราเกี่ยวเข้างผูกพัน ต่างๆเหล่านี้แหละอ่ามันมีทั้งประโยชน์ตนมันมีทั้งประโยชน์ท่ทานถูกตรงแล้วก็คือประโยชน์ตนเราทําประโยชน์เพื่อท่านนั่นแหละแต่พอเราทําไปแล้วตกหละะึกเป็นประโยชน์ตนใจเก็บรักษาไว้บุญอ่ใจเก็บรักษาไว้เป็นหน่อเนื้อเชื้อบุญอยู่พายในจิตใจเราคนเราจะไปอาศัยกําลังรีนแข้งธรรมะจริง ใครหาความสุขให้ได้รับความสุขสบายอย่างเดียวมชิ่งเราไม่ไจะต้องมีผลงานที่เก็บสะสมาไว้คือบุญก็บุญนี่แหละจะช่วยอำนวยความวให้เราได้รับความสุขได้รับความสุขเราดูคนที่เขามีบุญเยเขามีความสุขต้องการอะไรต้องการสิ่งใดได้สมบวังได้ตามความหวังได้ทําความต้องต้องตั้งใจ ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีบุต้องการอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามใจฝังแหละต้องการสิ่งนั้นต้องไม่สมบัตต้องการสิ่งนี้นต้องไม่สมบังอิอันนั้นก็ขาดอันนี้เกิเขินมันเขินภายในหัวใจเขินภายในใจิตใจเขินภายในบุญนี่แหละบุญมันไม่มีหรือไม่เต็มเมื่อใดเมื่อสมวัติเมื่อสมวัติสีตาห ม, มักคือความสุข เมื่อไม่สมหวังสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ทุกน้อยเนื้อทุกต่ำใจทุกไม่เต็มใจทุกไม่พอใจสิ่ ง, งต่า ง, งนี้มันมาจากสิ่งที่ตกผลิตอยู่ภายในหัวใจคือบุญท้งนั้นเลยเรายังมองข้ามบุญเพราะฉะนั้นบุญเราจำเป็นต้องยืน่นขวนขวายตวเอนะ ตองสวยต้ององตั้งใจทำเอาบุญในการให้ทานบุญการเสลิมลาดบุญในการให้ทานให้ทานวัตถุที่ขอ ง, ของให้ทานสติความนึกความคิดช่วยนึกช่วยคิดให้ทานกําลังที่จะช่วยแจงช่วยนึกช่วยคิดช่วยจะช่วยทำ สิ่งที่เป็นเพื่อประโยชน์ตัวเีงสิ่งที่เป็นเพนื่อประโยชน์ท่านะสิ่งที่ตกฝึกเป็นผนงานขึ้นมาให้ตัวเองเป็นใช้ได้สอยให้ท่านได้ใช้ได้สอยที่วันนี้ตอบสนองมาคือ บ, บุญทั้งนั้นอันนี้คือ บ, บุญจาภายนอกที่เราอาศัยร่างกายอาศาายัยเรโยนอะไรนงสวยน่นนนนาจะทํา มวัตถุมีสิ่งนี้ของเราก็เสียสละไปก็เป็นวัตถุฐานมีสติมีปัญญาเราเสียสละเชื่อมช่วยคิดช่วยอ่านช่วยอะไรไปนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นฐานเป็นธรรมฐานมีร่างกายใช้เรี่ยวใช้แรงใช้อะไรช่วยจับช่วยทำช่วยยึดช่วยยกช่วกระช่วยเกลี่ช่วยทําอะไรเกลี่ยเรียบร้อยเพื่อประโยชน์กายกรรม มีกรามช่วยพูดช่วยบอกช่วยแนะช่วยเตือนเพื่อเพื่อเกิดประโยชน์ซึ่งให้เราเป็นบุญทั้งนั้นตา ม, มาการกรรมจริงกรรมวัตถุทานอภัยทา น, ธ, านธรรมทานจากนั้นสิ่งที่จะเป็นจะได้เกิดตามมาตั้งแต่รักษาศีลตั้งแต่รักษาศีลเหลเข้ามา สังคมกการสังคมวมิวัฒนาสังคมปัจบันบุญละเอียดตื้อไปว่าหน้าอีคือตั้งใจภาวนาวัานคืนยืนเดินนั่งนอนมันมีทั้งสิที่เกี่ยวข้องกับตัวเองสี่งที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างเดียวแสวงเอาบุญกับตัวของตัวเราอย่างเดียวทํากินให้สงบภาวนา กิเลสสะสมมาที่บุญการภาวนานี่แหละเป็นวิธีเป็นอุบายเป็นวิถีที่ทําให้เราเอาข้อปฏิบัติมาํากับที่จินตะเพื่อจะทํำกิเลสที่มันมีอยู่ภายในจิตให้มันสงบไประงับไปสงบไประงับไปนะเมื่อมันสงบเมื่อมันเริ่มสงบืองเลสมันเริ่มสงบ เราไาได้รับความสุขได้รับความอิ่มเปิกได้รับความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ความสุขอย่างอื่นเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่มันไม่บร่สุทธิ์การตั้งใจให้ทานอาจจะไม่บริสุทธิ์ก็ได้การตั้งใจทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ ที่เรียกว่าวิ ย, ยาวัตรจำัยบุญเจเบิดการขวนขวา ย, ย, ยช่วยนุ่นช่วยนี้ก็อาจมีการกระทบกระทั่งเป็นอย่างไบุญไม่บริสุทธิ์ความสงบกเกิดขึ้นจากที่จิตสงบเนี่ยเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากจิตที่ได้รับความสงบเป็นบุญที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ก็คือไม่มีท่ออย่างอื่นมแยกไป มายื้อไปไมาแย่งไปถ้าเ อ, อ่าทำเห็นมากก็ได้ผลมากคนอานิสมก็ยิ่งมากเพิ่มพูนทวีคูณไปมากมายมหาศาลทั้งที่จะได้รับความสงบจากนั้นแล้วความเป็นอยู่ก็ น, น, น่าอยู่มีความสุขมีความชุ่มเียนน่าอยู่กิเลสมันไม่มา ย, มายุ่งแย้งจิใจเราเศราร้อน เราก็ตั้งตั้งใจทําให้จิตได้รับความสงบจากนัก้แ น, นแล้วแหละถึงก็เอามาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจสภาวะธรรมดังที่กล่าวมาเบนนนะื้องต้นนั่นพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้เ า, าใจเราก็ลุ่มหลงซึ่งขอดลุ่มหลงคือนี่แหละคืองานคือการของเราแต่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ยิ่งเราอยู่ในเพศนี้ในาภาวะนี้เรามีแต่ทําแล้วก็ขอบโกนผลประโยชน์เข้าสู่จิตใจตัตวเองไม่ได้ทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสดีเป็นโอกาสเหมาะเป็นโอกาสทองของเราของท่านทุกคนที่เราจะต้องตั้งออตั้งใจทำออก ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจทําเอาสิ่มาตัดรอนเราก็คือความขี้เกียจ น, นั่นแหละนี่ยังไงโกสัจฉะโกสัจฉะความเกียดคร้านโกสัจฉะความขีเกียจความขี้คร้านนัน่งๆเข้าเราก็สอยนะความสุขจากการหลับจากการนอนจากการอยู่ ส, ยสบายนี่แหละไม่ต้องทําอะไรนี่แหละ นั่นคือความเกลียดค้านเขามันไม่มมันมา เ, ย, เยียนแล้วแ่ะไม่ต้องทําอะไรนั่นอยู่สุข ส, สบานเนี่เอาความสุขแั่นี้เอาเละผลประโยชน์อะไรที่จะทำก็ไม่มีเหตุต่งตางๆที่จะประกอบให้เกิดขึ้นก็ไม่มีผลจะ ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตามมาโดยเหตุห่งการขวนขวายบุญกุศลเข้าสู่สจติตใจไม่มีประยู่แค่นะั้นสักวันหนึงก็เบื่อนั่นแหละไอที่เราเห็นว่าดีที่สุดเหมาะที่สุดเยี่ยมที่สุดนะ่ะ จจเมื่อแล้วเมื่อแล้วจิตใจตั้งเบือนดนอยู่แล้วะเนว่าเราจะว่าเราไม่ได้ทําประโยชน์อย่างไรยังไม่ไนะมีผลพอที่จะล อ, อยเลยครับผลตอบแทนอินบอกอินใจกับงาน น, านั่นกับธุรานั่นกับธุรานี้กับผลงานา น, นั่นกับผลงานานี้กับผลงานภ า, ายนอกกับผลงานภ า, ายในมันไม่มีไม่มีลยยแล้วโยกัดจิตจืดชืดไม่มีอะไรเป็นเครื่อง ไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ที่เันเรียกว่าไม่มีวิหารธรรมในเมื่อไม่มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่มันก็อยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลำบากอยู่ด้วยความทินแทงจากเจริญในหัวใจก็อยู่อย่างนั้นกลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้อยู่ทํามกลางสนามผุดสนามโกรล ผ, ผุดผัดขัดกลาบเจริญวิสัย ของตอนของตอนให้ละเอียดให้พระนี่ขึ้นให้สงบเราก็อยู่อย่อคนล้าหลังอยู่อย่างคนที่ล้าหลังไม่ทันสมัยทันสมัยแหละถ้าอยู่แบบถ้าอยู่แบบไม่ทันสมัยอยู่แบบคนล้าหลังอยู่แบบคนขาดทุนศูนย์ดอกอยู่แบบทําวันคืนโลกไปทำโอ ก, กาสมีนาะทีทองให้โลกไปเปล่าประโยชน์เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเราไปเร่งขวนควายสร้างเขาประโยชนตตนประโยชน์ท่านประโยชน์นักประโยชน์เบาประโยชน์มากประโยชน์น้อยอรวมปถึงประโยชน์ส่วนตัวทํากิจได้รับความสงบพิจารณาให้มีความรูมีความเข้าใจทางด้านธรรมะเป็นชั้นเป็นภูมิไปขยับไปเรื่อยก้าวไปเรื่ยเข้าใจไปเรื่อยขยับไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อย ความสงบแบบแน่นหนามั่นคงเป็นฝึกเป็นแผนแน่นหนามั่นคงไปเลยความรู้ความเข้าใจเปิดอันนั้นขึ้นมาพิจารณาเปิดอันนี้ขึ้นมาพิจารณาเปิดธรรมะภายใงใจพิจารณาพิจารณาแน่อนิจจ์ดูเข้าไปพิจารณาแน่ทุกขังดูเข้าไปสิ่งหล่านีิ่งเหนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นหลักสัจธรรมเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ประจำกาย เป็นสัตย์จะทำที่มีอยู่เป็นยำจิตก็หนักหลาดูเพื่อบรรเทาความรุ่มหลงเพื่อบรรเทาความประมาทความรุ่มหลงความมัวเมาเมื่อเราเห็นประโยชน์เห็นผลเห็นประโยชน์ความอุตส่าห์พยายามความภากฟวาก็มีก็ตามมาตามมามองเห็นช่องมองเห็นโอกาสว่านี่แหละโอกาสนี้แหละ ดีแหละเวลาดีแหละดีแหละกกาสดีแหล ะ, ا, ละช่องนี่แหละหมาะนี่แหละแสวงหาความสุขก็โวยความสุขเข้าสู่จินใจมันในความสงบ ข, ขั้นปฐมฌานขั้นฌา น, น, นที่หนึ่งขั้นฌานที่สองขั้นฌานที่สขั้นฌานที่ไหนกันเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกําหนดกันไว้ที่จะสงบได้รับความสงบละเอียดลึกไปขนาดไหนก็ตาม หากเรารู้ว่ามันเป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานในหัวของเราเราก็รักษาเอาไว้รักษาดีเอาไว้พิจารณาพิจารณาเหตุให้เกิดอันนี้พิจารณาผลที่เรากําลังประสบอยู่เรารักษาเอาไว้แล้วกัสิ่งที่ทำให้เรา หลงเพลิน ม, มัวเมาไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็แ ย, ย่ๆออกไปพิจรารณาออกไปพิจารณาใจพิจารณาสิ่นี้พิจรารณาอารมณ์ทมาเกี่ยวข้ากับสิ่งนี้พิจรารณาจิตเที่มันโคลงเข้ามาเรื่อยๆที่จิตรงนี้เปนเ็นให้เราพลอยลุ่มหลงไปกับมันกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับอะไรไม่เจบไม่สิ้น อ, อั น, นเป็นสนามเป็นงาน ที่ทาให้เราน้อมนําความเคล้าตัวของจิตของเราของสติของเราของสัมผัสจิตของเราของปัญญาของเรามาขึ้นมนะที่เกิดความก็เกิดความกัม้นพวกเราถ้าพวกเราอยู่กับภาวะนนี้กับภาวะที่สร้างออกตั้งใจสวยนะคุณนำความมีใส่ตัวของตัวเราเราเห็นว่าวันคืนลงไป มันมีแต่จะได้รับประโยชน์กับประโยชน์นะประโยชน์ทั้งหมดท่านก็เสริมหาประโยชน์อยันี้เราก็เสริมหาประโยชน์ยันท่านก็ทําเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราก็ทําเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตาโลดอดลุ้นจุนเหลือทําหช่องทั้งคนของเราอยู่เย็นเป็นสุขเราก็ได้รับความอบอุ่นจากท่านท่านก็ได้รับความอบอุ่นจากเราเราก็คอยได้รับความสะดวกสบายจากท่านท่านก็คอยได้รับความสะดวกสบายจากเรา ตามเพื่อเอาวยให้ให้ต่างคนตา่างโม่มันถวายหาและได้รับประโยชน์บุญบา ร, รมีเขาใครแก่กล้าขายับตัวเข้าไปได้อย่างตัวเตี้วก็ไปใครที่ยังอ่อนอยู่ก็ฝึกเข้าไปล้กกล้าปรเยแข็งบรเแข็งปรเดยแข็ ง, ป เ, ขงป เ, เป็นการเสริมสร้างเพิ่มบูญบารมีแก่กันกัน แต่สังคมที่อยู่ด้วกันอย่างสงบอย่างต้มเย็นอย่างผาสกุกตามคนตา่างได้รับประโยชน์คือบุญพระสุขจิตใจวันคืนลงไปก็มีแต่ประโยชน์กับประโยชน์เราอยู่ทํากลางประโยชน์อยู่แล้วแหะเราอยู่ตรงนี้ประโยชน์ตอนก็คือประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตน เดียวนปัจจุบันประโยชน์ยามยิ่งเราก็พยายามทําคือต้องใจภาวนาปริมาณประโยชน์ประโยชน์ยามยิ่งเราก็ตัง้ ง, นนตงใจทำเอายาประมาอยามักง่ายให้มีสติให้มีเริให้มีอุปปะให้มีสังขจัญญาความรอบรู้อันไรควรอะไนคว ร, นนควรไม่ควรอันไหนเหมาะอันไ น, นไม่เหมาะ เราก็ตั้งใจทำออกอยู่ด้วยความธรรมะทุกความอยู่ด้วยความไข้ ค, ควรวญอยู่ยังมีทิฏฐิคำว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นถ้าอยู่แบบอยู่แบบผู้ที่เต็มไปด้ยวยมานะทิฏฐินั้นคิดแล้วคำว่ามานะทิฏฐิ ค, คือคือถือตัวที่จนไม่ยามฟังอะไรใครอยู่อย่างบึ้งถือรันเขาเรียกว่าอยู่ยังมานะทิฏฐิ คำว่ามานะทิฏฐิเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันเป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นแต่จะเป็นความเห็นไปในในหลักของสัจธรรมมากกว่าคำว่าหลักของของสัจธรรมก็คือมีความรอบรู้มีความเข้าใจกับภาวะของตัวเองกับภาวะที่ที่มาเกี่ยวข้องกับตัวเองรอบรู้กับภาวะของคนอื่นกับภาวะที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งนู่นสิงนี้ของคนอื่นเก็บคนอื่นเมื่อเกี่ยวข้องกับเราเก็บเราไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นกับเราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งนู้นสินี้เกับวัตถุสิ่งนู้นสิงนี้มาเกี่ยวข้องกับเราเกิดความรอบรู้เกิดความเข้าใจตามหลักสัจธรรมกลายเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในหลักของสัจธรรมกลายเป็นผู้ที่อยู่ใช้สอนหลักสัจธรรมอย่างเกิดประโยชน์ แต่ถ้าไม่รู้ไม่เข้ า, าใจแล้วเอาศักรูธรรมทางตางนี้มาแปลไปดำอำนาจของกิเลสแล้วไปใช้ในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษและที่เอาประโยชน์มาให้ตนมูพวกพ้องที่เกี่ยวข้องอยู่กลับเอาโทษมาให้ตัวเองกลับมูกัา พ, พวกพร้องที่เป็นอยู่กันเหรอเนาะหลักสูตมันงใจทีเดียวเนอ ผมไม่ได้ตามไปดูตามกติกตาตั้งนะใครตั้งใจมากน้อยอะไรยังไงเนี่ยให้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะอยู่ให้ได้ประโยชน์อย่าไปอยู่แบบหัวตีบคิดของอ่านตีตันอัน่นโตูเ้เนี่ยให้อยู่อย่างธรรมใหอยู่อย่างสมณะให้อยู่อย่างผู้แสวงแสวงธรรมแสวงบุญแสวงกุศลอย่าอยู่แบบขี้เกียจขี้คลานมักง่ายทําเพราะว่าทําอะไรก็ตั้งใจทํา ทำอย่างจดจ่อตั้ง อ, อกตั้งใจไม่ใช่สักเทวธรรมเหมือนคนตายซักเหมือนคนตายทั้งเป็นดูให้ละเอียดดู้ดีทุ่นทำอะไรําตั้งใจงทําให้จริงหัดเป็นคนจริงจังเราเป็นคนดีเราเราไม่ใช่คนวิกลจริตไม่ใช่คนบ้าเราสามารถนึกได้คิดได้พิจารณาได้ดูเขาดูเราศึกษาให้รู้เข้าใจอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษให้รู้จักให้รู้เรื่อง อย่าเอาแต่ฤรธิ์เดของก่เลสมาอวดมาอ้างมาแสดงให้กันนะไม่ได้ผิดแท้ๆปัจจัยทั้งสี่พระพุทธเจ้าท่านทรงเมตตาประทานให้ให้พวกเราได้อยู่ได้ใช้ได้สอยอย่างสุดกสมายภายใต้ใบบุญของพระองค์ภายใต้ไปบุญของพระองค์แต่ถ้าเราทําตัวไม่เหมาะสมเนี่ยเราไม่มีสิทธินะถ้าเราทําตัวไม่เหมาะสมนี่เราใช้หลักการที่พระองค์ทรงประทานไว้ไม่ได้ พยากเป็นคนทุสินเนี่ยคิดแล้วผิดเล่าเลื้อคิดออกนอกร่องนอกลอยพระสิทธาพรวามอุตส่าห์พยายามขยันหมั่นเรียนประสิทธาสมรธรรมที่เราควรจะจะตั้งใจปฏิบัติควรจะได้ควรจะถึงมันไม่ได้มันออกนอกรูนอกทางไปอยู่แบบขี้เกียจขี้คลานมากักง่ายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในใบบุญที่เราบัพทานไว้ บริโภคสิ่งที่พระองค์ประทานเอาไว้เนี่ยในเมื่อไม่มีสีทธเมื่อเราบริโภคเท่ากับว่าเราขโมยขโมยท่านบอกวแบบเทยะเทยะเทยะบริโภคอยู่อย่างขโมยขโ ม, ย, ขมยบริโภคอยู่อย่างขโมยบริโภคอยู่อย่างป็นนี่กันนี้บริโภคแต่ถ้าเราตั้งใจอยู่เพื่อัำเป็นสมณธรรมเนี่ย ท่านเรียกว่าเพื่อความเป็นธรรมทายาทธรรมทายาทบริโภคบริโภคเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อเป็นธรรมทายาทคือผู้สืบทอดมรดกแห่งธรรมที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานเอาไวา้แต่ถ้าอยู่ไปยังอื่นละไม่มีสิทธิ์เรายิ่งอยู่ไปเท่าไหร่ก็ิ่งหนักหน่วงความไม่มีสิทธิ์อันนี้แหละ มันยีงกดทับเราให้หนับให้หน่วงทวงจิตทวงใจอยู่นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนที่งตาเหล่านี้น่าจะผ่านพ้นไปหมดนั่นแหละสำหรับพวกเราเหลืออยู่อย่างเดียวว่าพวกเรามีแต่จะตั้งใจบุกเบิกบุกเบิกหัวใจของใครของเราเนี่ยข้อปฏิบัติของใครของเราเนี่ยตั้งใจบุกเบิกสิี่มีข้อจเป็นข้อวัดปฏิบัติเราต้องช่วยกัน คำโน่นทนํานี้ปัดกวาดเช็ดถูดูแลรักษาเสนาสนะที่เราอยู่ที่เราอาศัยของส่วนตัวของส่วนรว ม, มนี่จะตั้งอกตั้งใจสิ่งวันนี้เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำเนี่ยมันได้บุญไม่ใช่ไม่ทำได้เปล่า น, นะทําเพื่อเราทําเพื่อหมู่ได้บุญมันมีแต่บุญกับบุญผู้ที่ไม่ได้บุญก็ผู้ที่ไม่ทำผู้ที่มีศีลที่เสียที่คลาดไม่ได้อะไเข า, าดอก กสิเลตภายในใจมันไม่ได้ทีเกี่รีคลานนะมันยุตลอดมันแย่ตลอดมันกระสิบอย่างนั้นกระสิบอย่างนี้กระสิบกระซาบอย่างนั้นกระสิบกระซาบอย่างนี้ตลอดนะใจของเราเน่ะแยะว่ามันสงบนะมันไม่สงบมันไม่เงียบมันตามาน่ะมันกลืนยิ้มยิอมเนี่เป็นโอชาเป็นอาหารอันโอชาของเราแล้วคนนี้หัวใจดวงนี้มันกระโดดเข้าไปเกาะเต็มอัตราสิของมันน่ะแหละ ยืนเดินนั่งนอนขยับก็มเงยอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นความกระจําหัวใจตรงนั้นแหะเป็นของมันทั้งหมดอาหารอันโวชาของมันแหละอาหารอันโวชาของกิเลสน่ะแซบมากๆอร่อยมากๆสำหรับมันเราจะเป็นอย่างนั้นเหรือเราไม่เป็นพวกเราตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นวันคืนลงไปต้องได้ประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งปรมาัาถประโยชน์ ต่างคนต่างทีบตัวเองเข้าไปวนขวายเข้าไปยืนเดินนั่งนอนหลับตาตัง้งหนวดพี่เปลนาภาวนาอยู่ยแล้วแหละมัดอยู่นั่นแหละอะไรันจะเผลขึ้นมาไปช่างมันหนหะกำหนดจดจา้างรู้อยู่นั่นแหละเพื่อยเกิดประโยชน์เกิดเกิดประโยชน์คือความรู้เกิดเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเป็นตัวของตัวต้องตั้งใจปฏิบัติทำเข้า ธรรมานุธรรมปฏิปติผลจากที่เราตัง้งอกตั้งใจทําเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นมีขึ้นทุกครั้งทุกวันเวลานาทีที่เราทำไม่มีทําเปล่าไม่มีเราประกอบเพียรลงไปแล้วผลต้องตามมาตามมากตามน้อยก็เป็นของเราทั้งนั้นขอให้เป็นของเราให้สุดที่ให้บริสุทธิ์มันคืนล่องไป ย, ย้ายกิเลสเอาไปกินหมดดูยังจืดจืดชืดชืด ประโยชน์นก็ไม่ทําประโยชน์ท่านก็ไม่ทาประโยชน์ปัจจุบันก็ไม่ทําประโยชน์อนาคตก็ไม่ทําประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานก็ไม่ทำํำแล้วาตายทั้งเป็นนั่นแหละอยู่แบบตายทั้งเป็นอยู่แบบเสียประโยชน์อยู่แบบเปล่าประโยชน์บริโภคปัจจัยสีของพระองค์ไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษได้รับโทษทาบหาามเข้าไปเต็มหัวใจนั่นแหละ เข้ามานี่แบกเข้ามาหาบผามแบกเข้ามากลับไปเนยหาบเข้าไปหาไปเป็นเกวียนคกวีย น, เ ป, น, เ, ปนเป็นรถๆถคนอ่ะสี่วันนี้เราลำพังลำพันธแล้วเป็นเหตุให้เราน้าเค็ดหลาบเป็นเหตุให้เกิดที่ริในจิตเกิดโอตปะปัดในจิตที่ริก็คือละอายแก่ใจของตัวเองโอตะปัดก็คือกลัวโทษต่างตาเหล่านั้นเนี่ย จะตามมารังพันตัวของเราหัวใจของเราบังคับตัวเราได้แล้วคือบังคับกิเลสได้มันยังไม่หมดก็ตามแต่เราบังคับมันได้บังคับกิเลสได้ก็คือบังคับตัวเราได้บังคับใจเราได้ให้มันทํางานที่ที่ที่เห็นว่าถูกที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นธรรมที่สุดเป็นศีลเป็นธรรมที่สุดเป็นทุกเป็นโทษเป็นเพีย เป็นเหตุทุกแห่งโทษเป็นเวรเป็นภัยไม่เอาตรงนี้เราต้องกรยิ่มยิ้มย่ำให้กับตัวของตัวเราพยายามยกตัวเองให้สูงยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงสูงด้วยศีลสูงด้วยธรรมสูงด้วยข้อปฏิบัติสูงด้วยความอุตสาห์พยายามขยันห ม, มั่นเพียรมันไม่ได้ขยันหมั่นเพียรอะไรเป็นเหตุให้ กุลีกุจอต้องลุกต้องวิ่งต้องจับต้องทํำต้องอะไรผาตามนั่งภาวนาําหนดจิตให้สงบอยู่ข้างในนั่นน่ะสง บ, งบเงียบคลึ้มอยู่คนเดียวนั่นแ่ะอันนั้นแะไม่มีใครไปเย่างได้ไปยิ่งเยี่ยงได้เอาขนาดนั้นก็ได้นั่นแหละจกอบจะโกยมากขนาดนั้นก็ตามอยวไปหากอบโกยกอบโกยโคงเหมือนอย่างที่เขาว่ากันนั่นะเรามากอบอันนี้แหละโกยอันนี้แหละกกยบุญกกยกุศลในใจของเราน่ มันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจอเข้ามาอยู่นี้แหละติจ่อเข้ามาที่จิตปัญญาจอเข้ามาที่จิตพิญญา จ, จารณาที่จิตไข้ทรวนที่จิตฝึกที่จิตซ้อมที่จิตขูดขัดเกาฝึกฝนกอบรมทรมานที่จิตทรมานกิเลสอยู่ในนี้แหละย้ำกันอยู่นี่แหละคนต่างหวังพึ่งกันนละไคสามัคคีคกันตรองรองกัน ร่วมเพียงกันจกกัดการทําถ้าต่างถ้าต่างคนต่างถือดีไม่หวังพึ่งกันนท่ทฐิมาน้ําเกิดต่างคนต่างถือเนือ้อถือตัวแหละพูดกันก็ไม่ได้บอกกันก็ไม่ได้พึงพาสายกันก็ไม่ได้หาความสุขไม่ได้หาความสุขในใจตัวเองก็ไม่ได้ทั้งขบหนั้นหาความสุขก็ไม่ได้ อะไรที่จะเจริญงอกเนยเจริญงอกงามด้วยขนมด้วยธรรมเนียมด้วยระเบียบด้วยวัฒนธรรมด้วยศีลด้วยธรรมเนยเจรงอกเนยไม่ได้กลายเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวหาความสุขไม่ได้ตัวเองหาความสุขไม่ได้คนอื่นก็หาความสุขด้วยความเกี่ยวเนื่องกันความเกี่ยวข้องกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต่างคนต่างหย่อนความผูกพันความสัมผัสสัมพันธ์กันหย่อนหัวจิตหัวใจ สู่กันและกันหวังพึ่งพาสายชื่นกันและกันอ่อนเข้าหากันน้อมเข้าหากันสามัคคีเข้าหากันฟรองเรอเข้าหากันกลมเกลียวไม่ปีนเกลียวคาว่ากลมเกลียวคือไปตามระบบระเบียบไม่ปีนเกลียวกลมเกลียวสามัคคีไม่ปีนเกลียวปีนเกลียวก็คือปีนระบบระเบียบมันก็ขัดขันก็แย่งกัน ลองไปดูที่เกลียวมันปีนเกลียวมันคันไม่เข้าอันนั้ทการทำให้เกลียวมันปีนกันรู้คันไม่เข้าดอกประโยชน์เขไม่เกิดเกิดแต่โทษคือมันไม่เข้านั่นแหละลองเกลียวเชื่อรู้เอาอะเกลียวเชื่อ้องไม่หมุนให้มันไปตามเกลียววันนูม so ันก็ไปขวางมู่อย่างนั้นแหละแทนที่ไปช่วยสมัครสมานหมูให้สามัคคีแข็งแรงน่ะไม่เลยไปขวางหมูอย่างนั้นแหละเกลียวเชื่อ ทิฏฐิมานะกับมุคมาณะนี่มันต่างกันคําว่าทิฏฐิกับทิฏฐิมานะนี่ก็ต่างกันนีกทิฏฐิมานะเนี่ยเป็นกิเลสทั้งหมดเป็นกิเลสทั้งดุน่นถือมั่นในความเห็นของตนมีคำว่าถือมั่นถือมั่นในความเห็นของตนทิฏฐิมานานะน่ะ ยึดมัน่นถือมั่นในความนึกความคิดความเห็นของตนในความเห็นของตนนะอะแต่ถ้าความนึกความคิดอันนั้นเป็นไปโดยทําเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามหลักสัจธรรมอันนั้นท่านไม่เรียกว่ามานาทิฏฐิท่านเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิธรรมเห็นธรรม ทำนึกความคิดที่เป็นธรรมไปชนมาหน้าทิฏฐิกิเลสตังรุ่นกิเลสตั้งร้อยเป็นบุญที่พวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านมีข้อปฏิบัติหลกฟังให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วับถือมาเป็นข้อปฏิบัติตามตามตามกันมาอย่างเราพากันทําอยู่ ก็มีข้อวัดกวาเช็ดถูถูสะอาดอาสนะรักษาความระเบียบเรียบร้อยความสะอาดถ้าที่มันมีความแปรเปลี่ยนจากนั้นเ้าก็เข้าไปสู่ที่พักของตนของตนก็มีข้อข้อปฏิบัติเป็นส่วนของตนของตองน่านาเลือนโกงทิเจอร์นา วางเป็นหลักเป็นเกียนเอาไว้เป็นบรรทัดฐานเอาไว้เ้าก็ตีตัวเราน่ะมัดตัวเราดึงตัวเราขยับตัวเราให้เป็นไปตามนั้นหยุดเหน่อยเมื่อยละพักคน ผ่อนร่างกายใจมันไม่พักผ่อนใจมันภาวนามันก็ภาวนาไปแต่ถ้าหกใจมันเหน็ดเหนื่อยเราพักผ่อนทางใจก็คือสงบเข้ามาเป็นปนึกไปทีป่ไปที่เจรนาไปกําหนดมากๆเข้ากันเห็ดเหนื่อยมันหมดกําลังกําหนดให้สงบเข้ามานี่คือพักใหญ่พักกายก็คือพักพักไปในระหว่างที่ร่างกายพักแต่ใจไม่พักใจกับกําหนดดู ก, กายแหละ งันเมื่อร่างกายเนี่ยเหนื่อยร่างกายเราพักได้แต่ใจยังไม่เหนื่อยใจไม่พักใจกําหนดดูกา ย, ยานี่แหละพิจารณาเละย้นนยอนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปก็คืมันหลับไปมันหลับไปตื่นขึ้นมาแล้วดูต่ออย่างนั้นจิตมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยเราพักกินเนี่ยเรารู้ เ ร, เราคิดอย่างนี้เรารู้ว่าตเราพักกายเป็นยังไงพักจิตหรือเราพักกายแต่จิตเราไม่พักเราทํางานที่จิตทํางานเหนื่อยเราพักจิตเราพักจิตก็คือเรากข้ามาให้สงบสงบยังไงก็ตามพื้นฐานที่เราตั้งเอาไว้ได้ทำเอาไว้ได้ลึกละเอียดขนาดไหนก็คือ ของใครของเราไปเจลจพเจรจาแล้วดูก่ันแบบดูมาที่กายดูมาที่เวทนาดูมาที่จิตหรือไม่ก็ดูมาที่ลูกที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาดูมาที่ขันดูมาที่กายทั้งก้อนทั้งแผ่น ดูมาที่จิตที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยจะดู ย, ยดืนเดินหน้าหนองมั้จหมดมันจะอดอะไรงานทำเต็มไปหมดเต็มไม้เต็มมืองานต่างแตหล่านี้เต็มไม้เต็มมือเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิยั่งะอยู่กับเนื้อกับตัวงานเต็มไม้เต็มมือมันจะอดอะไรงานทำ นอกจากมันไม่ทำเท่านั้นแหละมันเอาไปนึกเอาไปคิดแต่สิ่งที่เป็นโทษนั่นแหละแล้วหัวแตกแล้วเลือดเยิ้มมาแล้วเจอโน่นโอ้เจอของทุกข์มาแล้วไปเจอโน่นโอ้ของทุกข์กมาแล้วไปเจอโน่นโอ้ปตกของวนเรื่องนน่นแหละไปเจอนี่โอ้ยตกของวนเรื่องนี้แหละไปคิดหาแต่ทุกข์น่ะคิดหาแต่โทษ เขาเจอแต่ทุกข์แต่โทษอะไรงานการที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษท่านให้ทําะมันไม่ทํามันไม่เอาเอราไปโทษใครท่นี้ต้องโทษเรานี่นแหละปรับใหม่เปลี่ยนใหม่ทำใหมอยู่นี่แหละขยับขึ้นขยับลงขยับลงขยับขึ้นอยู่านั้นแหละ เนืงว่าเรามีการฝึกฝนอบรมความแก่ความแก่กล้าความรอบรู้ความเพิ่มพูนมันมีขึ้นทุกครั้งทุกเวลามันก็แก่พเพิเแก่พิเแก่สติแก่ปัญญาแก่ความรู้แก่ความเข้าใจ ใจเราไม่แก่เจ้าไทยทันเทศใจเราไม่แก่ใจคือผู้รู้คือท่าทู้นะมันไม่แก่ถ้าเราเอาสุขมาใส่เราเอาทุกมาใส่มันก็แก่ใครสะสมทุกมากๆคนนั้นก็แก่ไปในทางทุกใครสะสมสุขมากๆ สะสมบุญมากๆคนนั้นแก่มาทางบุญมันแก่บุญกับแก่บาปเท่านั้นแหละใจของเราบุญมากก็คือแก่บุญบาปมากก็คือแก่บาปโดยภาวะที่มันแก่เหมือนวัยร่างกายมันไม่แก่อที่ฉันพูดมันยังไม่สิ้นสุดสิ้นสุดก็คือต้องแก่บุญแก่บาปใครทาบุญมากคนนั้นแก่บุญคือบุญมาก ไปทำบาปมาก น, นั้นะแก่บาปมันแก่ไปได้ใจแก่ไปแบบนั้นแต่คือผู้รู้คือธาตุู้ธาตุู้มันไม่บริสุทธิ์มันไมนอิสระเสรีที่เลิ่มพายุพายเกาะนี่แหละเรามาพิจารณาจิตตรงนี้แหละไม่งั้นไม่รู้ไม่เห็นหรอกไม่เห็นสมุทัยที่มันมันไปพันจิตเนอะไม่เห็นหลองอยู่อย่างนั้นแหละ มันเถียงกันเห็นเขาเถียงกันอทุกวันต่างคนต่างหลงจะไปว่าใครอะตางคนต่างพิถีมานะมันไม่ฟังใครอ่ะมันไม่ีที่จบไม่มีจุดจบนางนันถ้าว่าพังไปแถบหนึ่งอะพังไปแถบหนึ่งก็อาจจะจบเฉพาะสิ่งที่พังอะจิตใจยังไม่พังอ่ะกรรมันยังไม่พังจิตใจยังไม่พังเดือดร้อนระอุประทุกอยู่ในจิตนึงตายไป ไปอยู่ในภูมิ hey. ที่จิตร้อนที่สุดน่ะนะนรกคุ้มที่ร้อนร้อนน่นอ่ะจ no. ิตใจร้อนๆนี่ตายไปต้องตกนรกจิตใจหลงๆเลยหลงๆไม่รู้หน้ารู้หลังรู้ผิดรู้ถูกอยู่แบบไม่ใช้สติใช้สัมปชัญญะอะไรนี่ตายไปเป็นสัตว์ดูที่สัตว์เนี่ยดูแต่ลูกนกที่เราเห็นเห็นไหมมันทรมานขนาดไหนเสือแป๊บเดียวมดไปขึ้นดอนนั้นพระไปจับเนี่ยฐานะ มานันตายล้วนกพวก น, นี้ถ้าเราไปถูกมันแล้วมักมันมักจะไม่ค่อยอยู่นะมักจะตายไม่ไดนเลยนกสองตัวนั่นอยู่หัวจกรตูเชืตายวันนี้มาอ้าวตายไปแล้วแม่มันก็ร้องเชียดเชียดอยู่ข้างๆนั่นแหละตายไปแล้วเนี่ยสัตว์รัจานตายไปเป็นสัตว์เรัจานอยู่แบบไม่แสวงหาสตินแสวงหาปัญญาอยู่แบบโงโง่เชื่อเชื่อซาซาตายไปเป็นสัตว์เรัจาน อยู่แบบโมโหโธโศจิตใจทุกเล่ราร้อนนั่นตายไปเป็นเปรตเป็นอาสุรกายสนรกนั่นอยู่อย่างผู้ศึกษาตั้งใจศึกษารู้อัดรู้ธรรมมีโอกาสได้เป็นเทวดามีโอกาสได้เป็นพระอริยเจ้าทัา้งอกตั้งใจเอาอะอนะัรรมะ